นาการละครนั้นส่วนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสวัสดีภาคเสด็จดพระพุทธดำเนินมาโดยอนุกรมลำดับครั้นเพลาสายันหัสมัยก็บรรลุถึงป่าอิสิ ป, ปัตนะมฤุกทายวันปัญจวัคคียาภิกขูวันนั้นปัญจวัคคีพิกขูทั้งห้าอาบน้ำชำระกายแต่ยังวันนั่งสโมสรประชุมกันแล้ว ก็ระลึกถึงองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าจึงสั่งสนทนาเจรจากันถึงพระพุทธองค์เจ้าว่าดูก่อนอวุโสคิดขึ้นมาถึงพระสมณโคดมแล้วก็เป็นหน้าเอ็นดูกรุณาเธอนักเราชวนกันมาเสียสิ้นแล้วป่านี้เธอจะอยู่กับใครเธอจะนั่งอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่นั่นหรือจะไปอื่นแล้วเป็นประการใด เรามาแล้วนี้เธอจะมีระลึกถึงเราอยู่บ้างหรือเมื่อปัญจวคีพิขุทั้งห้าสนทนากันอยู่ชนนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปสู่ที่ใกล้ฝ่ายว่าทองแถวพระราษมีมีพันณาหกประการนั้นก็ส่องสว่างกระจางแจ้งเข้าไปในที่อยู่แห่งปัญจวคีภิขุทั้งห้ากระทำอาการประหนึ่งว่าจะบอกประพฤติข่าวสาร ว่าบัตรนี้สมเด็จพระสัสดาจารย์สเสด็จมาสู่สำนักแห่งท่านแล้วฝ่ายปัญจวัคียพิขุทั้งห้าเมื่อเห็นแสงพระรัศมีโอภาษสว่างมาก็สะดุ้งตกใจว่าเออแล้วก็ไฟไม่ป่ามากระมังพี่เคราะห์ไปเห็นผิดแสงไฟก็ชวนกันสงสัยว่าแสงอะไรนี่หนอจึงประหลาดนักหนาจะว่าตะวันยอ่อแสงเล่าก็ผิดไป ตะวันยอ่อแสงทุกวันเป็นไรจึงไม่งามเหมือนอย่างนี้นี่สีงามประหลาดเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวเลื่อมเลื่อมไพรๆพรแกมกันไปจะว่าเป็นแสงอะไรนี่หนอชวนกันแลไปตามท่องแถวพระรัศมีก็เห็นองค์สมเด็จพระมหากรุณาออกมาจากวนาสันทประเทศราวป่างามเลขประหนึ่งว่าพระยาช้างชาติชัดทัน อันออกจากเกาะแก้วมณีนินถ้ามิฉะนั้นเปรียบดุดดังปริมนทนแห่งประจันทร์อันย้ำออกจากกลีบเมฆปัญจภิกขุทั้งห้าเมื่อเห็นสมเด็จพระมหากรุณาเสด็จมาครั้งนั้นจึงว่าแก่ ก, กันว่าดูก่อนอาวุโสเราชวนกันดูให้แน่นนพระสมณโคดมหรือไม่ใช่อ๋อพระสมณโคดมละสินะ ออกชื่ออยู่เดี๋ยวนี้สิมาแล้วนี่มีมาเที่ยวตามหาเราแล้วหรืออยู่คนเดียวไม่ได้ลําบากใจเข้าแล้วสินะจึงอุตสาหาเสาะมาดูรูปร่างพระสมณะโคดมเป็นไรแต่เพียงละความเพียรเสียไปเที่ยวบินทบาทฉันสีสันพันนานี้งามขึ้นพอดีพอร้ายไปเมื่อไหร่มานี่เธอจะไปข้างไหนเธอจะมาหาพวกเรานี่แหละ เราอย่าเรียกอย่าหาอย่าพูดอย่าเจรจาด้วยมาก็พากันนิ่งเฉยเสียให้สิ้นด้วยกันใครอย่าไหวนบนมัสการอย่ารับบาตรับจีวร อ, อย่าต้อนอย่ารับอย่าหาน้ําให้ล้างเทา้าเสียไม่ได้ด้วยเธอเป็นลูกกษัตริย์เราก็จะปูแต่อาสนะไว้เธอชอบใจจะนั่งก็นั่งเธอไม่ชอบใจจะไม่นั่งก็แล้วไป เมื่อปัญจวัคคียพิขุว่าแกการชนนี้แล้วก็นั่งอยู่พัควาสมเด็จพระสัพพันญูตรัสรู้แจ้งวาระน้ําจิตแห่งปัญจวัคคียพิขุทั้งห้านั้นด้วยพระสัพพัญยุตยานรู้แล้วที่จะเสื่อมคลายพระกรุณาก็หามิได้ส่งพระกรุณาเป็นปกติอยู่อย่างนั้นละ่ะเมื่อสมเด็จพระพุทธองค์เสด็จเข้ามาถึงที่ใกล้ ด้วยเดชากำลังพระมหากรุณาที่คุนนั้นก็เผอิญให้ปัญจาวาคีพิขุทั้งห้าลืมคำที่ปฏิญาณกันไว้ให้บังเกิดความเคารพยิ่งหนักเปรียบดุดบุตรอันเห็นมารดาบิดาอันแก่เท่าชราพัดพรากจากไปนานแล้วและมีความเคารพยิ่งหนักอุทายะปัญจุคันโตวาและปัญจาวาคีพิขุนั้นพากันลุกขึ้นแล้ว ก็ออกไปกระทาปัญจุคมนาการรับเสด็จบางอง์รับบาดรับจีวรบางองตักอุทธกังมาสรงพระบาทบางองปูลาดอาสนะบางองจับเอาพัดมวีชื่นชมยินดียิ่งนักเอวังสุ ข, ขนิสินเนภัควติเมื่อสมเด็จพระพุทธองค์ทรงนิสัชนาการนั่งเป็นสุขแล้ว ปัญจวคีพิกขุจึงกล่าวคำประพฤติปราศัยว่าอาวุโสโคตมะดูก่อนอาวุโสพระโคดมสิริราญตังยนคือสริร่ากายอันประกอบด้วยจักคืออิริยาบถ ท, ทั้งสี่มีทวารทั้ง9้านั้นพระโคดมยังจะอดกลั้นได้ยังเลี้ยงดูได้อยู่หรือเที่ยวบินธบาศได้พอขบชั้นอยู่หรือ มีสู้ลำบากด้วยบินทบาตหรือเป็นประการใดพัวาสมเด็จพระสันเพชรพุทธองค์ได้ทรงสดับปัญจวัคคียพิขุเรียกพระองค์ว่าอาวุโสครั้งนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงพระปริวิตกว่าปัญจวัคคียพิขุเป็นแต่ชาติพราหมณ์ออกบวชบรรพชากรมาเรียกราวพุทธทาคตอันเป็นขติยะชาตอันสูงศักด้วยคาว่า อาวุโสะ น, นีไม่สมควรนักหนาปัญจะวคีหยาบช้าดูถูกดูมินเราผู้ตถาคตพระองค์จะได้โทมนัสขัดเคืองช น, นีหาไม่ได้พระหาฤทัยชื่นชมไปด้วยกําลังพระมหากรุณามีพระพุทธฎีกาตรัสแก่ปัญจะวคีพิกุด้วยสัพพวาจาอันอ่อนหวานว่าพิกเวดูก่อนพิกุทั้งหลาย มาสมุทาจะระัฐท่านทั้งปวงอย่าได้เรียกตถาคตว่าอาวุโสไม่สมไม่ควรตถาคตนี้ได้บรรลุ ป, ประมะพิเศษสัมโพธิญาณประหารเสียซึ่งกิเลสธรรมทั้งปวงแล้วสัมมาสัมพุทโธตถาคตนี้ตรัสรู้สัพเพเยยยธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองโอท่าหัต t ท่านทั้งปวงจงเงี่ยสดตงคอยสดับรับพุทธโอวาทของตถาคตและจงปฏิบัติตามเถิดท่านทั้งปวงก็จะได้ตรัสรู้ซึ่งธรรมอันพิเศษอันกุลระบุบรรพชาในพระพุทธศาสนาแล้วพึงได้ซึ่งธรรมเห็นประจักษ์ในอัตภาพชาตินี้เอวังวุตเตเมื่อว่าองค์สมเด็จพระนราธพทรงประกาศิทิชี ปัญจะวะคีภิกขุยั ง, งสงสัยอยู่จึงตอบว่าอาวุโสโคตมะข้าแต่อวุโสพระโคโดมพระโคโดมว่านี้ข้าพเจ้ายัา ง, งสงสัยอยู่เมื่อพระโคโดมตั้งประธานจริยาในอริยปฏิบัติกระทธรรทุกรกระกิริยาอยู่ครั้งนั้นยังว่ามิอาจจะตรัสรู้ได้เมื่อลาเสียซึ่งความเพียรเวียนมาสู่ความมากมากแล้ว แล้วว่าได้ตรัสรู้เล่าข้าพเจ้าเห็นเป็นน่าสงสัยนักเมื่อปัญจวัคคียภิกขุสงสัยอยู่ชะนีสมเด็จพระมหามุนีนาถาศาสดาเมื่อพระองค์จะตัดเสียซึ่งภูเขาอันสูงคือมานะแห่งปัญจวัคคียภิกุด้วยพระขันแก้ววิเชียนคือพระปัญญาครั้งนั้นจึงมีพระพุทธดีกาตรัสว่าภิกเว ดูกรพิขุทั้งหลายท่านทั้งปวงยังจะระลึกได้อยู่บ้างหรือถ้อยคำเช่นนี้ตถาคตได้ตรัสแก่ท่านเมื่อครั้งไรบ้างโนเหตังพันเตข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระภาคเป็นอันงามถ้อยคำอย่างนี้พระองค์จะได้ตรัสแก่ข้าพระองค์แต่นักการก่อนก็หาไม่ได้เออก็เมื่อกรนั้นแล้ว ท่านทั้งปวงมาสงสัยไปใหญ่เล่าโอทัหัถะท่านทั้งปวงจงเงี่ยโสอดลงคอยสดับเถิดเมื่อมีพระพุทธดีกาตรัชนีพระสุรสำเนียงของพระพุทธองค์เจ้านี้ตลอดไปเบื้องใต้ตราบเท่าถึงอเวจีเบื้องบนตลอดขึ้นไปตราบเท่าถึงภักวะพรมโดยขวางนั้นตลอดป่าอิสศปัตนะมฤุคทายวัน แล้วก็ตลอดป่าพระหิมพานต์อันกว้างไกลได้สามพันโยต์แล้วก็ตลอดออกไปถึงแสนโกรจักรวารภูมิมาเทวาสัทธามนุษย์สาเวสูงขณะนั้นฝูงเทพเจ้าทั้งปวงก็เอิกเะเริกเป็นโกลาหนร้องเปล่าแก่กันภูมิมาภูมิมะเทวดานั้นก็เคลื่อนขึ้นไปถึงชั้นจาตุมหาราชิกาจาตุมหาราชิกา เกเินขึ้นไปถึงชั้นดาวดึงดาวดึงก็เกเินต่อเกเินต่อการขึ้นไปตราบเท่าถึงอากาศนิทภักขวะพรมว่ามาริษาดูราแน่ท่านทั้งหลายผู้เนรทุกข์โอเสเรทะสโมสรทะมาเถิดมาเราจะชวนกันลงไปสโมสรประชุมให้พร้อมเพรียงกันในป่าอิสิ ป, ปัตนะมฤึกกทยวัน ฟังพระธรรมเทศนาทุลภาชาวเราทั้งปวงเกิดมาครั้งนี้เป็นบุญลาบอันใหญ่หลวงเป็นนักหนาบัดนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าจะตรัสพระธรรมเทศนาพระธรรมจักกับประวัตนาสูตรอันสมณะพรามจำพวกอื่นในหมื่นโลกธาตุมิอาจเพื่อจัดแสดงได้ทุลโภดูก่อนชาวเราทั้งหลาย สมเด็จพระพุทธเจ้าจะได้มาอุบัติตรัสในโลกแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์นี้ยากนักที่จะได้พบได้เห็นทุนลพังธรรมสวนังพระธรรมเทศนานี้เล่าก็ยากที่จะได้สดับตรัพฟังศรัทธาทุลพา่าเกิดมาแล้วซึ่งจะศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนานี้ก็ยากนัก เราท่านทั้งหลายแต่เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวัตาสงสารนี้จะรู้จักว่าสักกี่ชาติกี่ร้อยครั้งอจสุดฉลังแต่น้ำตาที่ร้องไห้ร่ำไห้นั้นถ้ามิได้เหือดแห้งไปและจะเก็บไว้ประสมไว้ก็จะมากกว่าน้าในสีสมุทรมังสานั้นเล่าถ้ามิได้เปื่อยมิได้เน่ามิได้สุดมิได้โทมไปและจะเก็บไว้ะสมไว้ ก็มากกว่าพื้นแผ่นพัสสุธานี้อีกอัถินั้นเล่าถ้ามีได้สิน้นไม่ได้ศูนย์และจะระสมไว้ก็จะสูงกว่าเขาพระสุเมร น, นี้อีกแต่ข้าศึกคือราคะโทสะโมหะทิฏฐิอวิชาตัญหาครอบงำทำให้เวทนาอยู่ในวัฏฏสงสารช้านานหนักหนาแล้วทีนี้แหละเราจะได้เห็นหลังเหงข้าศึกแล้วชาวเรามาเร็วๆเถิเด มาเราจะไปสู่ป่าอิสิ ป, ปัตนะมรึกทธยวันจะได้ทันฟังพระสัต ธ, ธรรมเทศนาฝูงเทพพยยดานี้ร้องเปล่าประกาศกันต่อต่อไปเกลื่อนกลนกันมาฟังพระสัต ธ, ธรรมเทศนาที่ปากทูปากคันธมาลาที่หัดถาแต่ล้วนมีมือถือดอกไม้และของหอมทูบเทียนประทีปชวลาสุขุมตะพาวัง ในมินิตวานิรมิตกายให้เล็กละเอียดเป็นนูปรามนูที่อันน้อยมากว่าเท่าขนทรายจามรีจดลงนั้นเทพพ ย, ยดาอยู่ได้ยี่สคบองก็มีส0อสคบองก็มีจนถึงร้อยองก็มีพันองค์ก็ ม, ก ม, ถก ม, 1, กมีถึงกระนั้นแล้วก็ยังไม่ใกล้จะจุจะพอกันป่าอีสิบปตนามฤกัยวาวันนั้นเต็มติดกันไปหานว่างมิได้ บรรดาเทพพ ย, ยดาในหมือนจักรวาล น, นั้นพากันมาประชุมในจักรวาลอันนี้สิน้นแต่พื้นแผ่นดินขึ้นไปตราบเท่าถึงภัวพรมรุ่งเรืองไปด้วยรัศมีเครื่องประดับประดาอาภรณ์และรัศมีกายแห่งเทพพ ย, ายดาอินพรหมทั้งปวงตัดสมิงสมัยเย่ใสมัยครั้งนั้นเป็นอุตราสาลาหะนักขัตฤกษ์แผ่นเดือน8 พลานั้นเป็นพิลาสาเยันเย็นพระสุริยะอัสดงคตลดลับเหลี่ยมเขาพระเมรุมาตรทัศนายะวิคเตวิยะดุจมิใครจะเคลื่อนคลาดไปจากที่จะคอยทัศนาการชมพระพุทธสิริแห่งสมเด็จพระมหากรุณาระชานิกเรฝ่ายพระจันเทพบุตรนั้นก็แจ่มแจ้งจารัดขึ้นมาในประเทศอากาศ ป ส, สิตุกาเมวิยะมีอาการประหนึ่งว่าจะเฉยชมพระรูปพระโฉมพระสิริวิราชแห่งสมเด็จพระมหากรุณาเนรธรรมสารติสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าผู้ฉลาดในการที่จะทรมานสัตว์ให้เสียพยศอันร้ายเปรียบดุจในสาวรติทรมานซึ่งสินทบพชาติพระพุทธองค์เจ้าทรงพระมหากรุณา ปรารถนาจะรื้อขนซึ่งเวนัยศัพท์สัตว์ออกจากก่วงวัตตสงสารพระองค์จึงตกแต่งซึ่งธรเมราชรสอันใหญ่หลวงแน่นหนาประดับประดาวิจิตไปด้วยแก้วเจ็ดประการศีลรัตนังแก้วกล่าวคือศีหนึ่งปัญญารัตนังแก้วกล่าวคือปัญญาหนึ่งวิมุติรัตนังแก้วกล่าวคือพระอรหัตผลหนึ่ง วีมุตติยาณทัศนรัตนังแก้วกล่าวคือปัญจเวกขณญ า, านหนึ่งโพชังคารัตนังแก้วคือพระโพ ช, ชงหนึ่งปฏิสัมพิธารัตนังแก้วคือพระปฏิสัมพิธาหนึ่งโยชิตังเมื่อพระองค์ทรงประกอบธรรมราชรสให้วิจิตบรรจงแล้วไปด้วยแก้วเจ็ดประการดังพรนานามาชนี้แล้ว จตสัจจะญาณจากกังสมเด็จพระพุทธองค์ทรงจัดแจงซึ่งจักทั้งสี่แล้วไปด้วยพระจตุสัจจะานคือปัญญาอันพิจารณาเห็นอัตถะแห่งอริยสัจจ์ทั้งสี่สัมมาประธานนสินทวังแลพระองค์ก็ทรงเทียมซึ่งสินทพชาติทั้งสี่ตัวคือพระสัมมาประธานทั้งสี่ประการ เวนยยภริตังสมเด็จพระสัสดาจารย์ปรารถนาจะนำไปซึ่งธรรมราชรสอันบรรทุกเต็มไปด้วยเวเนยยสัพพสัต น, นไปสู่ทิศอันกเกษมคือพระอมรุตตมหานครนิพนพานพระหละปังกามขังปรารถนาจะแวะเว้นเสียซึ่งมักขาอันประกอบด้วยเปลือกและตมคือกามสุขขันลิกานุโยก ทหาะมักขังปรารถนาจะหลีกเสียซึ่งมรคคาอันร้อนด้วยเปเลวเพลิงคืออตตะกิลามัทานุโยกจะดำเนินไปตามทางตรงคือองค์พระอัฏทางกิกรรมักแประการ